สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตเยซูตามตอนที่สามร้อยยี่สิบห้าเรื่องคอําอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่หนึ่งร้อยครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับพี่น้องครับเราอยู่ในประโยคสุดท้ายของคอําอธิษฐานของพระเยซูเป็นคําถวายพระพรเหตุว่าราชนาจฤกษเดชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบสืบไปเป็นนิตและอาเมน พี่น้ครับเมื่อวานนั้นผมได้พูดค้างไว้นะครับถึงความจริงสามประการหลังคําอธิษฐานของพระเยซูในเรื่องที่สามครับประการสุดท้ายก็คือเรื่องของคําสรรเสริญคําสรรเสริญนี้นะครับก็คือการที่เราสรรเสริญว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้ที่สมควรจะได้รับการนมัส ก, การเป็นผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นผู้ที่สมควรได้รับการถวายบูชาพาี่น้องครับ ก่อนที่จะไปถึงเนื้อหาหลักในครั้งสุดท้ายนี้ผมขอทบทวนความจริงสาประการนะครับความจริงสประการหลังจากคําอธิษฐานของพระเยซู ก, ก็คือหนึ่งความเชื่อนะครับเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงตอบคาอธิษฐานสองความหวังเรามีความหวังว่าอ น, นาคตของเรานั้นจะอยู่ในน้ําพระทัยของพระเจ้าอย่างแน่นอนอนาคตของเรานั้นจะรุ่งเรืองรุ่งโรจน์และสดใสและวันนี้ครับคือประการที่3ครับคําสรรเสริญว่าพระเจ้า จะสร่งรับการนมัสการรับการยกย่องรับคําสรรเสริญจากเราพี่น้องครับเราจบคำอธิษฐานของพระเยซูในรูปแบบที่เริ่มต้นด้วยการสรรเสริญและการนมัสการนะครับโปรดจํานะครับว่าเมื่อเรานมัสการพระเจ้าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับพระเจ้าจะเสด็จมารับคําอธิษฐานคําสรรเสริญของเราพี่น้องครับในสุริยบทที่ยี่สิสองก็สามนะครับผู้เขียนสดุดีกล่าวถึงพระเจ้าว่า พระองค์ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์พรงประทับเหนือคำสรรเสริญของคนอิสราเอลเถียงครับเมื่อคนอิสราเอลสรรเสริญพระเจ้าพรงก็จะประทับเหนือคำสรรเสริญของเขาเหล่านั้นฉันใดฉันนั้นครับพระเจ้านั้นประทับอยู่เหนือคำสรรเสริญของคนอิสราเอลฉันใดพรงก็จะทรงประทับอยู่เหนือคำสรรเสริญของพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกของพระองค์ฉันนั้นแต่มีข้อแม้ครับว่า เนื่องจากพระองค์งนั้นทรงเป็นองค์บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นผู้ที่จะสันเสริญและนัสการ์พระองค์งก็จะต้องนัสการ์พระองค์งด้วยความบริสุทธิ์จะต้องสารภาพบาปทุกครั้งครับพี่น้องในการสันเสริญพระเจ้าในการนสัสการพระเจ้าในแต่ละสัปดาห์นะแต่ละวันอาทิตย์หรือแต่ละวันก็ตามที่เราเข้าเฝ้าพระเจ้าเฝ้าเดียวนั้นพี่น้องครับพระเจ้าประทับอยู่เหนือธรรมสรนเสริญของพวกเราครับแต่เราจะต้องสํานึกแอและ ตระหนักว่าพระองค์ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์ครับพี่น้องเมื่อพระองค์ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์เราทั้งหลายจงบริสุทธิ์ด้วยเพื่อคําสรรเสริญของเรานั้นจะไปถึงเบื้องพระพักของพระองค์คำอธิษฐานของเรานั้นจะเป็นเหมือนกับเครื่องบูชาอันหอมหวนคําทูลของเรานั้นจะเป็นคําทูลขอของลูกที่มีความสัมพิธดีที่ดีกับคุณพ่อบนสวรรค์พี่น้องครับในภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะครับมี เรื่องเล่าว่าอย่างนี้ครับมีคนบอกชาวนาบอกว่าถ้าคุณสร้างพวกเขาจะมาใช่ไหมครับมีคําคําพูดว่าถ้าคุณสร้างพวกเขาจะมาเช่นเดียวกันครับเมื่อเราเริ่มต้นนมัสการพระเจ้าเราแน่ใจคับว่าพระเจ้าจะเสด็จมารับคําสรรเสริญของเราเราสิ้นสุดคําอริษฐานของพระเยซูต่อเบื้องวัพักของพระองค์อย่างที่เราเริ่มต้นว่าข้าแส่พระบิดาพระเจ้าของเรานั้น องชงเป็นองค์สพันญูครับและพระองค์ไม่เคยรู้สึกเบื่อและเผลอหลับไปพระเจ้าผู้ทรงอารักขาอิสราเอลจะไม่เคลิมไม่หลับไปพระเจ้าไม่ได้ยุ่งเกินกว่าที่จะหันมาให้ความสนแกเราได้นะครับพระเจ้าไม่ได้ยุ่งเกินกว่าที่จะหันความสนพะไทยของพระองค์มาถึงเราได้พี่น้งครับพระเจ้าไม่ได้เผลอลอย พระเจ้าไม่เคยหลับและพระเจ้าฟังคําอริษฐานของเราเสมอเพราะพระองค์อยู่ที่นั่นและพระงทรงอยู่ทุกคนทุกแห่งพระเจ้าจะทรงรับคําสรรเสริญคํานมาสการของเราน้องครับเรามาถึงวลีเกือบจะสุดท้ายแล้วนะครับคําว่าสืบสืบไปเป็นนิตน้องครับคำว่าสืบสืบไปนะครับเป็นนิดเป็นความคิดความเชื่อที่ยอดเยี่ยมสําหรับการสิ้นสุด การนมัสการของเราเมื่อเราอาธิษฐานว่าราชสำนากเป็นของพระองค์นะครับสบ ซ, ซื่อไปเป็นนิหมายความว่าเลยครับเรากาลังยืนยันหลักการแผ่นดินของพระเจ้าที่จะไม่เปลี่ยนแปลงพระเจ้านั้นเป็นพระเยโฮวาครับผู้ทรงเป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นเหมือนกันในอดีตเหมือนเดิมนะครับในอดีตปัจจุบันและในอนาคตอย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับพรงคทรงรัก บรรพชนของเราอย่างไรพระองค์ทรงรักเราเช่นเดียวกันและพระองค์ทรงรักจะทรงรักลูกหลานของเราต่อไปในอนาคตพี่น้องครับนี่เป็นสิ่งที่ดีที่เรานั้นจะอยู่ในน้ำมัไทยอันประเสริฐและนิรันดรของพระองค์หลักการของแผ่นดินของพระเจ้านั้นจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงครับและจะไม่ถูกยกเลิกเป็นความรักของพระองค์นั้นก็ไม่ได้ขาด จากเราทั้งหลายและไม่มีอะไรที่จะทําให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าได้นะครับแน่นอนครับพระเจ้านั้นคําสัญญาของโปร่งนั้นจะมั่นคงแน่นอนเสมอจะไม่มีการยกเลิกครับพี่น้องเมื่อเราอธิษฐานว่าขอริษเตศเป็นของโปรง่งสืบสืบไปเบิดเรารู้ว่าความสามารถของพระเจ้าวันนี้นะครับจะสําเร็จในอนาคตอย่างแน่นอนครับนะครับ เมื่อเราอธิษฐานว่าขอพัชริเป็นของพระองค์เสืบสือไปก็ต้องเตือนสติตัวเองครับเมื่อเราอธิษฐานคํานี้นะครับเราจะได้รับคาตอบแน่เพราะเลยครับเพราะหากเป็นน้ําัทไทยของพระเจ้านะครับโดยฤทธิเดชของพระเจ้าและเพื่อพัชริของพระเจ้าน้ําัทไทยของพระองค์จะสําเร็จอย่างแน่นอนเมื่อเราอธิษฐานว่าเสืบสือไปนะครับเรายอมรับความเป็นนิรันดรของพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นอยู่ตั้งแต่ต้นและไม่สิ้นสุดครับ ไม่มีต้นไม่มีปลายชองเป็นองคเอฟาและองค์โอเมกาในพระกัมภีร์นะครับในพระธรรม ก, การนะครับพระธรรม ก, การก็คือไม่รู้ตรงไหนครับเบื้องต้นนะครับและเป็นเบื้องปลายไม่มีสิ่งใดสิ้นสุดโดยปัสจากพระเจ้าครับรงทรงอยู่สืบสืบไปเป็นนิจเรากําลังยอมรับราชอำนาจฤทธิเดชภระศร ข, ของพระเจ้าสืบสืบไป เรากำลังยอมรับความเป็นนิรันของพระเจ้าผู้ซึ่งเราทูลขอตามคำอธิษฐานของพระเยซูนะครับเมื่อเรายอมรับว่าพระเจ้าทรงเป็นอยู่สืบอเสืบไปเราให้คาทูลขอของเรานะครับร่วมอยู่ในแผนการพระประสงค์นิรันดร์ของพระเจ้าเรากำลังเมอร์ชตัวเองนะครับหมายว่าเรากาลังร้อมรวมตัวเองให้อยู่ในน้ำพระทยัยอยู่ในการทรงนาอยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้า ตลอดไปเป็นนิตพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่สวยงามมากเมื่อเรอธิษฐานว่าขอให้เชิญสื่อไปแล้วขอพระเจ้าสำหรับผลผลอันถาวรจากคำอธิษฐานของพระเยซูสุดท้ายครับของคำอธิษฐานครั้งที่หนึ่งร้อยคำอธิษฐานของพระเยซูจบด้วยคำว่าอาเมนเราพบกับการสิ้นสุดหลายอย่างในชีวิตของเรานะครับพี่น้อง เราบอกเพื่อนของเราก่อนจะจากกันว่าสวัสดีกู๊ดบายลาก่อนพระเจ้าอวยพร น, นะครับหรือบางคนเราก็แค่โบกมือพยักหน้านะครับยักคิว้วนะครับหรือกระพริบตาข้างเดียวบอกลาได้ครับพี่น้องการบอกลาพระเจ้าก็เป็นเรื่องสําคัญครับคริสเตียนสิ้นสุดคําอธิษฐานด้วยกล่าวว่าอาเมน หมายความว่าขอให้เป็นเช่นนั้นหรือขอให้คงอยู่เช่นนั้นหรือคำมริษฐานของผมคงอยู่ต่อพระเจ้าบนพื้นฐานนี้ขอให้เป็นเช่นนั้นเถิดนะครับนี่คือความหมายคําว่าอาเมนพี่น้องครับเมื่อเราสิ้นสุดคํามริษฐานของพระเยซูเราทูลขอพระเจ้าอย่างจริงใจจริงจังคำมริษฐานของเราจรึงคงอยู่ครับขณะเดียวกันครับ เมื่อเราเอธิษฐานตามรูปแบบของพระองค์คำอธิษฐานของเราก็จึงคงอยู่ครับหรือถ้าเราอธิษฐานมอบคําตอบของข้าพระองค์แด่พระองค์คําอธิษฐานของเราจึงคงอยู่ครับหรือเราได้อธิษฐานถ้อยคําของพระเยซูซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่อธิษฐานได้คําอธิษฐานของเราจึงคงอยู่ครับพี่น้อง ก่อนที่เราจะา ก, กันในเช้านี้ครับขอพระเจ้าทรงเมตตาอวยพรหากพี่น้องท่านใดต้องการที่จะได้รับซีดีนะครับขอเขียนมานะครับและเราจะจัดส่งไปให้ท่านขอพระเจ้าอวยพระพอรอาเมน